ว, นนวันนี้กําลังคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระตนัไใจมาถึงเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นสังฆคุณนะครับเรื่องสังฆคุณเมื่อวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องสังฆคุณมาบ้างแล้ววันนี้ก็จะลงลึกถึงเรื่องสังฆคุณ หรือว่าในรายละเอียดพูดในรายละเอียดพระสงฆ์โดยทั่วไปท่านเรียกว่าพิกุสังโฆหรือภิกษุสงโฆเรียกว่าในสังฆคุณในสังฆคุณในท่านใช้คําว่าสาวกสังโฆสาวกสังโฆคือพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระภูมิสภาพจกาลสุปฏิพันโน พระพะว่าโตสาวกชังโคหมู่สาวกของพระภูมีพระพักตร์าวเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติคือว่าหาทุกปฏิปันโนปฏิบัติชั่วในสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแต่ปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติชั่วก็คือปฏิบัติ อยู่ในทุจริตอยู่ในทุจริตตาสตยทุจริตวจีทุจริตหามโนโทุจริตทีนี้ถ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติตีก็ประกอบตนอยู่ด้วยสุจริตตาอยูในสุจริตตาเรียกวินานิสนาานิสนานี่แปลว่าการสวยงามที่ไม่สมควร เป็นจะกอันเนสนาการสวยงามที่ไม่สมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็าพิวาหรืออาชีพตั้งอยู่ในอาชีวะบริสุทธิ์ศีลหรือมีศีลเกีเ่ยวกับเรื่องอาชีวะบริสุทธ์หรืออาชีพบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธ์อาชีพบริสุทธิ์ของทิกษุขของสงฆ์ของนักบวชอันนี้ละเอียดและ อ, อ้กว่าอาชีพบริสุทธิ์ของคารวาส คาราวาสนี่ถ้าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดสินธรรมขั้นละเอียดเขาถือว่าใช้ได้แต่ว่าของพระสงฆ์นี่อาชีวะอริสุทธิสิสินที่เกี่ยวกับอาชีวะอาชีพนี่มีความละเอียดมากละเอียดอดเป็นปริกถาเป็นปริกถาคือการพูดเลียบเที่ยง เพื่อให้อาชีวะบริสุทธิ์ก็เว้นปริศธาการพูดเรียบเรียงแม้แต่เวลาไปบินตบายเห็นนะมเวลาออกบินตบาย ท, ท่านก็จะไปยืนเฉยๆจะไม่พูดขอให้เขาให้อถ้าเขาไม่ให้ไปยืนสักประเดี๋ยวหนึ่งเห็นว่าเขาไม่ให้ก็เดินต่อไปแต่จะไม่พูดว่าขอให้ใครป า, าหรือว่าให้ทํานั่นทนํานี้อะไรให้ก็จะไม่พูดอถ้าพูด อ้อม อ, อมแม้จะพูดอ้อม อ, อมก็เรียกว่าเป็นปริกัตชาก็ทําให้อาชีวะให้บริสุทธิ์ตัอย่างเช่นว่าเครื่องทอดกรถินทีนี้วัดกามายังไม่มีใครมาทอดกรถินแต่เพื่อต้องการจะให้เขาไปทอดอันนี้ก็เรียกว่าปริกัตชาปริกัตชาทีนี้ก็ถ้ามีคนไปทอดกรถินด้วยคําพูดอย่างนี้ก็กรถินนั้นไม่สําเร็จประโยชน์ ไม่สำเร็จประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของกฐินหรืว่าเรี่กว่าไม่เป็นอันการอันนี้มีรายละเอียดเขาก็ไม่ต้องพูดนะนะะก็แปลว่าทําให้กฐินเสียนะปริจจชากเตนะกฐินังอัทธตังโกติกฐินังกฐินไม่ใช่ว่าเป็นอันการเพราะปริจจชาเขพูดเรียบเพียงก็ใช้ไม่ได้อยากพูดถึงว่าให้ไปขอเขาให้ไปทอดกฐินเลยแม่แต่เพียงว่าพูดอ้อมๆว่า ที่วัดอาจจะมายังไม่มีใครทอดกระถิ่นยังไม่มีใครจองกระถิ่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นปริคตาอาชีวะไม่บริสุทธิ์จริงกระิ่นไม่มีใครดก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะเสียหน้าหรือเสียอะไรเลยไม่มีถ้าเพื่อไม่หวังปัจจัยไม่หวังปัจจัยเอาเงินเอาทองอะไรมาทํานั่นทํำนี่อะไรไม่มีใครทอดก็สบายได้ซ้ําไปไม่ยุ่งวัดวัดไม่มีใครไปทอดกระถิ่นก็สบายได้ซ้ําไป ไม่ยุ่งทอดกระถินไม่ยุ่งยุ่งจะตายไปเพิน่งแต่เตรียมวัดเตรียมวัดเตรียมอะไรต่ออะไรต้อนรับคนนี่จะไปทอดกระถินถึงว่าคนไปจากกรุงเทพไปทอดกระถินต่างจังหวัดมันก็ยุ่งทั้งคนทอดทั้งคนทั้งเจ้าของงานเจ้าของวัดทํำไมทอดก็ไม่เห็นเป็นเลยไม่เห็นจะต้องเดือดรอนแ้่ถ้าเพื่อไม่มุ่งเอาปัจจัยที่เขาจะนําไปถาวายนะฮะ นี่ก็ผมก็พูดในฐานะพุทธศาสนิอิสระว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องหนึ่งว่านี่เสนอว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องจริงเรื่องกระทินไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่ทอดก็ได้แต่ว่าเราไปปิดโคมให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นมหาทานเป็นอะไรทออะไรไปมากมายแต่ไม่พูดความจริงกัน ไปพูดความจริงกันแต่ว่าไปพูดอะไรที่มันอมออกคล้อมคอบะไรกันไปท่านเล่าเอาไว้ในคมภีบางทีท่านก็เล่าล้อเลียนเอาไว้เล่าล้อเลียนเอาว้นี้ผมก็นํามาเล่าต่อจากในคำภีนะะจากในตําราของเราเพราะว่าพระไปบิน บ, บาบให้หิงแม่เรือนก็คือหิงแม่บ้านนั่นแหละหรือว่าหิงแม่เรือนหิงแม่บ้านก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะใส่บาตรไม่อยากจะทําบุญอะไร แต่ก็หนี้ไม่ทันพระไปแต่ก็ก็หนี้น่ก็หนี้ไปแต่พระก็เห็นอยู่ผู้หญิงก็หนีไปพระก็เข้าไปถึงในครัวผู้หญิงเจ้าของเรือนหนีไปแล้วก็เข้าไปถึงในครัวก็เห็นของต่างๆในครัวเห่นว่าเห็นลําอ้อยเห็น ข, าาข้าวสารเห็นปลาแห้งหังจกพักหนึ่งผู้หญิงเจ้าของเรือนก็ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านกลับมา ไม่ว่าพระไปแล้วแต่พลายังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่ก็เลยบอกผู้หญิงเจ้าของเรือนบอกว่าตะกี้นี้โยไม่อยู่อาจจะมาเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งเห็นงูตัวใหญ่เหมือนลำอ้อยเห็นงูตัวใหญ่เท่าลำอ้อยแต่มันก็ฟันมันแพ่พังพานเหมือนกับปลาแห้ง แผพงพันเหมือนกับปลายแห้งเอฟันแล้วก็ฟันมันก็ขาวเหมือนกับข้าวสารในหม้ออันนี้เลย ว, ว่าพูดเรียบเคียงแล้วว่าพูดให้เขาไม่เจ็บใจพูดเรียบเคียงผู้ยินคนเจ้าของเรือนก็นึกว่าเขาพระรู้เราแ ล, แล้วรู้ของที่มีอยู่ในครัวเราแ ล, แล้วก็จำใจต้องให้อย่างนี้เรียก ว, ว่าคมขี่เอา ขคมขีเอาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ศรัทธาก็ไม่สมัครใจก็ไม่สุขปฏิปันโนอันนี้ในกรมพี่ท่านล่าล้อเรียนเอาไว้แล้วก็หรือว่าท่านล่าล้อเรียนเอาไว้ว่าพระรูปหนึ่งไปเห็นคนน้ำตาลผ่านมาน้ำตาลตนโนนะครับหาบน้ำตาลผ่านมาถามว่าโยมเขาบอกว่าน้ำตาลครับผมน้ำตาล พระก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่น้ำตาลหรอกถ้าเป็นน้ำตาลพระก็คงได้ฉันบ้างนี่นี่ก็ยังไงอ่ะเรียบเคียงเรียบเคียงนั่นกันนี่เขาก็ละอายเขาก็เลยเอาถวายอย่างนี้ก็ปริกถาอาเนศนาทั้งนั้นอาชีวะปริสุทธิ์ที่สีนเสียไปหมดเลยอันนี้เป็นต้นนะครับการบริพุกอย่างนี้อ่า การที่ได้สิ่งอย่างนี้มาบริโภคอท่านเรียกว่าไทยะบริโภคทถยะบริโภคคือว่าผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ปัจจัยมาบริโภคเรียกได้ไถยะบริโภคหรือว่าบริโภคอย่างขโมยไถยะแปล ว, ว่าขโมยบริโภคอย่างขโมยมีธามคนหนึ่งอันนี้ก็ในอัจฉกิยะเล่าไา มีรมคนหนึ่งทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายทีนี้ก็บังเอินว่าไปทำกับภิกษุที่ถูกศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมทำถึงสองครั้งพอครั้งที่สามครั้งที่สามพวกอมนุษย์ที่เราคอยรับผลบุญที่เขาทำให้อยู่ร้องแต่โกนขึ้นมาบอกว่าคนถูกศีลปล้น ร่นบุญของเขาคนทุศีนต้นบุญของเขาเขาไม่ได้รับว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ตามก็เลยทําใหม่ทําใหม่ทําเลือดขาบุญญาเขตนาบุญเนื้อนาบุญก็ไปได้ภิกษุที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ทําบุญไปอุทิศให้กับผู้ใดอย่างมนุษย์ก็รองขึ้นว่าได้รับแล้วได้รับผลบุญ ที่อุทิศให้แล้วเพราะฉะนั้นที่สังฆ ค, คุณก็มีอยู่ข้อหนึ่งคือถ้ากินโยท่านเป็นผู้ควรแก่ของทําบุญเป็นผู้ที่ผู้หวังบุญควรทําบุญด้วยอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีสินิีทรัพเป็นสูปฏิปันโน่ไม่เชนั้นแล้วก็จะเป็นไถะปริโภคบริโภคอย่างาโมย แล้วก็อีกพวกหนึ่งบริโภคปัจจัยสี่ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาด้วยการด้วยความกันนองไม่พิจารณาบริโภคโดยไม่พิจารณาไม่ปัจจเวิก<ม>เขาเรียกว่าปัจจเวกต้องพิจารณาก่อนที่จะบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่เสนาที่สังขาโยติเสวามเจ็บปินทบาทนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อสวยงามไม่ใช่เพื่อแต่ว่าเพื่อ ให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อประพฤติคอนคุณงามความดีเพื่อประพฤติธรรมจัตย่างนี้หรือว่าไม่พิจารณาเดี๋ยวนั่นล่วงไปแล้วก็พิจารณาทีหลังได้เขาเรียกา อ, อาตีปัจจเวกหรือธาตุปัจเจเวพิจารณาโดยความเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้บริโภคก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วบริโภคอีกพวกหนึ่งคือทายัชบริโภคบริโภคอย่างเป็นทายได้แก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีศีลมีธรรมตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นสุปฏิปันโนแล้วก็รับปัจจัยของผู้เทาวายเพราะว่าปัจจัยนี้เป็นของพระอริยเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เขาทาเพื่อพระอริย ผู้ิศอริยบุคคลเราพระสงสมมติสง์เป็นาทายาทของพระอริยสงฆ์ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมก็จะว่าเป็นทายาทแล้วก็ถ้าเป็นผู้ทุศีลก็ไม่ใช่ทายาติไม่มีศีลมีธรรมเาะั่นก็ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบริโภคปัจจัยสี่ก็จะว่าเหมือนกับทายาทรับมรดกเหมือนกับทายาติของเราที่รับมรดกของเรา อันนี้พวกหนึ่งทีงนี้ก็อีกพวกหนึ่งเรียกว่าสามีบริโภคบริโภคอย่างเป็นนายอย่างเป็นเจ้าของนี่หมายถึงว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นภิกษุหรือเป็นใครก็ตามที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็มีผู้นําของมาให้แล้วก็บริโภคสิ่งนั้นเรีวยกว่าบริโภคอย่างเป็นเจ้าของคือว่าอยู่เหนืออยู่เหนือผู้ให้ ผู้ให้ต้องขอบคุณผู้รับเพื่อขอบคุณที่ท่านก็ได้กรุณารับเอาไว้แล้วก็แทนที่ว่าผู้รับจะเป็นผู้เป็นหนี้บุญคุณของผู้ให้แต่ว่าผู้ให้กลับเป็นหนี้บุญคุณของผู้รับเพราะเหตุที่ผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงทำให้ปัจจัยหรือสิ่งที่เขาให้นั้นเป็นสิ่งที่มีผลมาก แม้จะเพียงเล็กน้อยให้เพียงเล็กน้อยก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะนั่นคนที่เป็นคนมีคุณธรรมสูงไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นข้าราชบาถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงปัจจัยที่ผู้มอบให้ก็จะได้อานิสงส์มากได้รับผลมากแล้วผู้ที่รับมานั้นก็เป็นสามีบริโภคคือเป็นผู้บริโภคอย่างเป็นนายเป็นเจ้าของ ไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่เป็นหนี้บุญคุณเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงทำปัจจัยที่เขาให้แม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากให้เขาเป็นคนได้บุญให้เขามีบุญให้เขาได้รับบุญได้รับประโยชน์จากการให้จากการสงเคราะห์ช่ว ย, ยกันอันนี้ทาราวาตก็ทำได้นะครับคือว่าให้เป็นสุปฏิปันโนว่ า, อ, าอริยะสงนี่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ปวดแต่ว่าจะแพร่ขยายไปจนถึงคารวะที่มีคุณธรรมเป็นอ ร, ริยะอ ร, ริยะแต่ว่าเป็นคารวะาที่ไม่เป็นคารวะลองลองนึกดูคารวะที่ไม่เป็นคารวะแล้วก็เราลองเทียบดูว่าพระที่ไม่เป็นพระก็มีพระที่เป็นพระันก็มีพระที่ไม่เป็นพระนั่นก็มีคือว่าเป็นพระโดยรูปแบบ แต่โดยเนื้อหารจริงๆหรือโดยคุณสมบัติโดยคุณธรรมแล้วไม่ได้เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นพระที่ไม่เป็นพระทีนี้คาราวาทที่ไม่เป็นคาราวาทก็คือว่าแม้จะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคาราวาทมีเพศอย่างคาราวาทแต่ใจไม่ได้เป็นใจได้ข้ามขึ้นไปจากความเป็นคาราวาทธรรมดามันพ้นไปจากความเป็นคาราวาท อย่างน้อยก็เป็นค า, าวรวะสมุนีอ่าอย่างนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นโดยคุณสมบัติโดยคุณธรรมเพราะฉะนั้นแม่ผู้ที่เป็นคารวะก็อย่าไปทอดใจอว่าเราจะประพฤติคุณธรรมอะไรไม่ได้เป็นสุปฏิปันโนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําได้อันนี้ก็เป็นสังฆคุณข้อหนึ่งสุปฏิปันโนพระควโทสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีอันี้ข้อที่สองก็อุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงคือว่าไม่คดปฏิบัติตรงก็คือไม่คดไม่คดในกององในกระดูกเว้นส่วนสุดทั้งสอง ส่วนสุดทั้งสองก็คือการมาสุขคันลิกาโุโยกย่อหย่อนเกินไปหมกมุ่นผัวพันในโลกียะสุขในกามาสุขในความสุขที่เป็นโลกียะที่เรียกว่ากามาสุขคันลิกาโุโยกามากเกินไปเว้นส่วนสุดทั้งสองแล้วก็อัตกิละมาธานุโยประกอบตนให้ผัวพันอยู่กับความลําบากโดยไร้ประโยชน์อทรมานตน ะอ <Yeah. S 2> ไรเกี่ยวกันเพราะว่าตึงไปกับยอนไปออุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงเป็นทางตรงแล้วก็เว้นส่วนสุดทั้งสองคือฝ่ายยอนกับฝ่ายตึงอไม่ยอนเกินไปไม่ตึงเกินไปนแล้วก็ไม่เจ้าเล่ห์ปฏิบัติตรงคือไม่เจ้าเล่ห์ไม่ยาไม่มีไมายาเจ้าเล่ห์ไม่โอ ไม่ ย, ยาไม่มีไม่เจ้าเล่ไม่โอ้วดไม่มีม า, ย, ม า, ย, มมา ย, ยาสาไทยไม่คดในข้องอในเตือดูอะไรเจ้าเล่เยอะแยะคนที่ไม่เจ้าเล่ก็มีคนตรงก็มีก็ต้องอุชุปฏิปันโนต้องเป็นคนตรงแล้วถ้าเราได้เะในสังคมในโลกช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจริง